วิคโน้ยในน้ําต่งนะางหน้าอญยติธรรมทั้งหลายาเพราะว่าอันได้นาพาโมคูทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมน้ากันก็มีทางปารีก็เกือบสามสิบคนแล้วก็มาทั้งอื่นอีกคโน้ยก็โบฮูปันไดเพราะว่ามาสเปนได้มาสจาตุตูก็เคยมาดนแล้ววางนี่ก็ได้มาอีกมาจากมื้อล้วก็มาแล้วก็เยอรมันอีกเคนี่กันับว่าอะ ต่อไปในภายภาคหน้าก็คือสิมีหลายคนเข้ามาปฏิบัติอยู่เพราะว่าบุคคลนี่ก็บ่ลืมบุญคุณของหลวงพอ่อที่ได้อันสอนมาแล้วก็มีน้องสาวอยู่ทางอเมริกาเอื้นไปปฏิบัติธรรมน้าเลยได้สายทนหลวงพ่อเทียนนี่แหละมามามาปฏิบัติเบิง่งเพื่ออยากหูว่ามันเป็นอย่างไรซื่อเมื่อได้ขึ้นอย่างดอกเ่อได้อยากได้อย่างขึ้นมาปฏิบัติมันเป็นอย่างไรอยากหูว่า ปฏิบัติธรรมมันเป็นยังไงลองลองเบิงลองเบิงแล้วหลวงพ่อนี่เพิ่นกระประคบประงมเพิ่นกระถามอยู่เลยว่าเห็นความคิดบอโอ้ยข้าน้อยพูดแต่ขน้อยคิดแต่ขน้อยบวเห็นความคิดหลวงพ่อว่าสัตตอบเพิ่นตรงตรงเ ง, งี้ยสิเดอเอาจะต้องให้มันเห็นได้โอ้ยจังไดสิเห็นเนาะมันก็นมีมือเห็ น, นแหละคันเขาปฏิบัติอันนี้ก็ย้อมือไปย้อมือมาแล้วโอ้เอออันนี้เขาคิดได้หนิ่นะ เขาเข า, าหู้ได้ว่าเขาคิดขั้นถ้าเขาหูคิดเขาก็ตัดคิดได้ไวหูเรืเรื่อยเรื่อยเขาตัดออกไปเรื่อยเรืยรื่อยย้อนอย่างย่อนย่อมือนี่แหละเพราะฉะนั้นแหละการย่อมือนี่มันก็ถือว่ า, ส, า, าวส่างจังหวะสิบสี่จังหวะนี่มั น, มนมให้เขามีสติสติน้าป้องกันที่ว่ามีอย่างที่ว่าเขาน่ะสิว้าอย่างสิจายอย่างจังซี่น่ะมันสิว่าบดถึกใจคนเขาก็มีสติละ เออเขาบกวรเว้าเขาก็ตัดไปซะจบมันมันหู้จักจบทันทีอันนี้นะ่ะถามมาดีบอดีลายเด้ถ้าผู้ใดสิวัยเฮ็ุอย่างไซเฮาห์านะเขาจะบกเครียดแค้นเขาเพอเขาจะคิดว่าเออเขาบกาหู้จบบ่มีการที่ว่าคิดอย่างเขานะแปลว่าจบทันทีอันนี้นี่เขาหู้จักเบังใจเขาแล้วใจเขาเป็นสมาธิแล้วนั่นนะ เขาเปิดตาเป็นบมหันนางส่างจังหวะนี่นะเปิดตาแต่ว่าปัจจุบันนี่ภูคขาเปิดตาแต่ว่าเลียวไส้และขัวเบิงหันเบิงหนีแต่บริปุ๋งแตงลยได้มันชิน่อยที่สุดคันมันปุ๋งปับ๊บมันหยุดปับ๊บมันหยุดเอาเองเพราะว่าเขาเขาเหตสํานานละนะซีบ้าจาังใดไปลว่าเขาเหตุตานานละ ปัญหาอย่างสิเกิดขึ้นภายทีเป็นภัยทิตายนะเขาเข้าใจเขาเข้าใจว่าโรคสมมุติกับโรคปรามัตเป็นยังไงมันแตกตาก่างกันยังไงนะเขาแยกได้คือสมมุติเขาป่วยหลายๆลายหลายหอย่างสินะทางกายเขามันบวสมบูรณ์มันบวชคือหมูมันเจ็บอย่างสินะถ้าใจเขาดีเด็กายเขากะปัวบวแมนบวปัวเด็กปัวแต่ใจเขาดีจากหน้อยมันก็นดีมั้งลูกพญายนะ คนที่ปฏิบัติธรรมมันเป็นยังีิเป็นอย่างที่ว่าเขามีพันธญาตบอกมีเจ็บม่ป่วยนะมันมาเหตุละคันตั้งใจเหตุเหตุให้มันถึกโมเมนว่าเหตุแล้วไปเพ่งไปอย่างนะอันนี้ก็เคยบอกหลายคนอยู่เพราะว่าบางคนเหตุ ด, ดีโพดมันกลายเป็นเพ่งไปว่าซีไฮจิตฐานมันเข่ามืดตะละบาดระบาดโมแมนต์อย่างสั้นเด้เขาเหตุเป็นแบบธรรมดาธรรมศาสตร์ธรรมะคือธรรมศาตร์เฮตุตั้งใจเหตุ หน้ะเห็ดดีๆแบบใดว่สั้นเห็ดบวชขึ้นอย่างเอาแต่มันฮอดมือมาแล้วมันสีเป็นเองผู้ขานี่เด๊ะนางเห็ดจังสิงแหละมือเศร้าสองสมูงมือแรงสองสมูงแล้วผู้ขาก็เห็นจิตผู้ขานิ่งแบบใดเบิ้งออกไปนอกเออมันซีเป็นจังไหนน้อให้มันขึ้นเบิง้งดูมันกระบวชขึ้นละเออแล้วมาฮู้อย่างฮู้แต่สิบสี่จังหวะนี่เด้ะฮู้แต่ขึนแต่ลงแต่เข่าแต่ออกโอ้มันเย็นแบบนี้วะมันแมนบ่ กับเฝ้าไปทำหลวงพ่อหลวงพ่อว่านั่นมันกระถือละว่าสั้นมันบวผิดละว่าสิก็เลยว่าโอ้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผูกขาประสบการณ์ที่ว่าในครอบครัวลูกผัวคือกันเท่ากับฮู้เทาอยู่น้ากันบวแมนว่าเท่าสี่สิบปตายจากกันจือเถื่ออายุปูนี่แลวไปว่าอีกอย่างดีๆเท่ากหาให้กันโอ้ล้มกันให้มันถึกปองลองถึกทาง ว่าพิดว่าแมนเขากระสอนกันได้เนนะเขาอยู่ขั้นผัวกับเมีย ม, มาปฏิบัติน้ากันอันนี้เป็นการดีที่สุดมันเป็นอย่สั้นการเข้าใจนี้เข้าใจว่าผู้ใดได้ปฏิบัติแล้วเอาเมื่อปฏิบัติโตนะมันชีซอยหาทั้งครอบครัวทั้งลูกทั้งเต้ากระซี่เปียนนะ่ะเขาเปียนลูกเขากระเปียนเป็นอย่างคอยว่าเขาเปียนเขาบ่ได้เขาเปี่ยนเขา เขาเห็นนิสัยสันดานเ่าเองเขาดีหรือเขาบดีเขาคิดกุศลหรืออกุศลเขากะหู้โตโาดีปั๊บเป็นนี่สิเรื่องของมันเพราะว่ามนุษย์เท่านี้นะไพ่ก็เห็นแกโตเนาะไพ่ก็เห็นตกิเลศหู้แต่ว่าอยากได้อยากดีอยากอย่างมืดคนเขาคนเขากับคนอื่นกระคือกันนั่นแหละเขาเป็นยังไหนโมก็เป็นยังสั้น มูบ่มากเนี่ยเข้ากับบมากเนี่เขาเหตุให้มูเสียใจดีบละบบดีได้เนาะเพราะว่าเขากับบมากขึ้นกันเพราะสันั่นนะเขามีสติแล้วเขาได้ระวังคว่ำปากความเว้าคว่ำจาอย่างขึ้นกันพราะผู้ข่านี้นะเะกี้นี่เป็นเจ้าหยดเจ้ายางได้ลูกเต้านี่ก็ต้องให้มีระเบียบเรียบร้อยเมืองฝรัง่งเขาเสียเอาตามเขาเองนี่มันบ่ได้ดัดงใจ พอสั้นนั่นปล่อยวางหลายหลายโบยึดมั่นถือมัน่นมีมีแต่ละแม่แต่มีตลาดคนเดียวนี่นะถามว่าหักบ่อหักแต่ว่ากระโนยึดมั่นถือมัน่นม้าก็เห็นนาทีให้กินให้ยากแล้วก็หอดย้มกับเมือเขาโบโทรมากระโบโทรคืนแต่ว่าทำใจนะคอนสิวลาล์าแล่ะไปวิปัสสนากรรมฐานนีเมนการทำใจ ให้ตัวเองสบายใจเพราะว่าสวรค์ในอกนลุกในใจเพลินเเว่หันแมนความจริงความทุกข์ความสุขแมนเฮาสร้างเอาเองเฮาอยากสุขเฮาก็เฮ็ดเอาเองเฮาอยากทุกข์เฮาก็เฮ็ดเอาเองลองย่อเบมือเบื้องย่อมือหลายๆนี่นะย่อให้ถือทางน่ะตัดได้มืดตุกอันเรื่องยึดมั่นถือมั่นผูกขากับเอาละบนยึดบนมั่นอย่างมด สบายบบสบายใจล้ายาเดี๋ยวนี้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีแต่ว่าโมเมนมันก็มีแต่ของสมุมดมดเขาเข้าใจตัวนี้ละประมาทมันอย่างห้องหูละมันก็เลยสบายโมมีอย่างแนนอนมีแต่ว่าสร้างความดีน้ำกันขั้นเป็นครอบครัวมือหนึ่งกระตายจากกันแล้วหักแพงกันว่ายโมคูคือกันอันใดดีนี่ก็อยาเอาหายโมผู้ข่าเลย อยาก่วนมาปฏิบัติธรรมกันย้อนแบบนี้แหละเห็นตัวเองเปลี่ยนแปลงจึงว่าอยากให้คนอื่นที่ว่าอันใดบูดีเฮากระเบิงตัวเองหู้นะนะจังซีขั้นถาวว่าเฮาบริสตัวนี้นีเฮายากได้ผู้ขาบนาอายได้ไปย่อมืออยู่ใส่ผู้ข่ากย่อมือเพิ่นไหวพระแล้วละขาเจ้านางหลับตากันผู้ข่านี่ย่อมือเอาจบเพิ่นกบาบพระละเฮากระจบขึ้นกัน เพื่อนอยเห็นพื่นถามกะว่าเจริญสติขน้อยเห็นแบบนี้แล้วก็จบไปบางเธออาสน า, ายคนเฮาหนะเพราะว่ามันย่อมือมันกระโบงงามคือนางลับตาเนาะแต่อันนี้ผู้ขายย้อมหับสิ่งที่ดีๆนี่ผู้ขา ย, ย้อมหับหลวงพ่อเทียนพผนวาถืกแท้ๆขน้อยขอขอบใจน้าหลวงพ่อมหาทิเล็กเดือด ท, ท, ท, ทีวาซอยขน้อยปรับปวงขน้อยให้ขน้อยเห็นความคิดให้ขน้อยหู้จัก เจริญสติแบบหลวงพ่อเทียนนี่แล้วข้าน้อยหู้ล้ายอันหลายแนวจิตมันนิ่งเป็นจงังไงมันเห็นนอกระบบบบไปคึดน้าน่ะมันอยู่ได้จงดังไงแล้วเวลาคนเว่าวอย่างมะกระทบเป็นจงังไงข้าน้อยบวเจบบ็บปวดข้าน้อยเป็นซื้อข้าน้อยหู้ว่าเขาเว้าเขาอย่างข้าน้อยอิทนเขาเพราะว่าเขาโบาหู้จักเมือ่อใดปฏิบัติหลายข้างบานค้นกับโบหู้อย่างเลยได้เสียซื้อเสียแห้งทีว่ามันานางมึดมืดมึดเวิน เขาต้องเข้าใจตัวนี้มันสำคัญแท้ๆได้เพราะว่านั่งนี่นะยอมือโบเมนอย่างได้ให้จิดตั้งมันตาเห็นเขาก็เห็นยุแต่ว่าเขาบอกไปปุงแตงหูได้ยินเขาบอกฟังหูได้ยินอยู่แต่ว่ามันกับพานเลยนะแปลว่ามันบ่อาเข้ามานะ่ะมีคนอยากมาปฏิบัตินั้นผู้หนึ่งพี่เล็กกะหูอยู่เพิ่นบอกว่าไปเซาอูเต้นอยู่เถาะซอยูน้ําหลาคนบ่ได้ ขน้อยก็เลยว่าโอ้ยอย่าเอ า, เามาเถอะมันยากขันว่าเห็ดคือหมูบัได้ก็ไม่ต้องมาเพราะว่าเพิ่นอยากสบายนะนะอยากมาเห็ดอยู่หากต้องอยู่โอเต้นก็เห็นใจอยู่ดอกแต่ว่าคมถูกคันไลลายหากอยู่คือเฮานี่นะปนกันยังซี่บัได้กระซอยบัได้ละขน้อยก็ได้ทุกก็เป็นทุกแล้ะนอกก็ต้องจังสั้นต่อไปเนี่ว่าขน้อยก็มีทอร์นี่แล้วเพราะว่า เห็นคมดีควมงามที่ว่าได้เหตุมาอยากให้คนอื่นนี่มีโอกาสคือข้น้อยนี่กับนันกบรการหลวงพ่อและญาติทรรมทุกคนเนาะอันนี้ก็ได้เฮียนน้าเพลินมากก็ถือว่าก็บอกว่าเรียบร้อยสำดาบแต่ว่ามันมั น, ม, นมันสําหรับปีนี้สําหรับปีนี้ข้าว่าิดว่าเอาเอาออกหลายหลวงพอ่อสําหรับตัวเองบอกว่าคนอื่นเพราะว่าฮัจจาว่าตัวเขาเองนิสัยกัเป็นคนแบบว่า อันนั้นอันนี้อันนี่นั้นเรียบร้อยมันเลเป็นแบบแบบคือมีตัวตนอัตตาตัวตนแต่ตัวเองก็หู้เมือตัวเองอยู่ว่าจังได้แบบใด้บันนี้ในเมื่อปีการนี้กตัดได้หลายเพราะว่าได้ตัดสินใจเขามาเห็นคอสอยนี่เต็มเจวันเจวันเพราะว่าการตัดสินใจตัวนี้ตัวเธอว่าเครื่องหนึ่งของขน้อยและมันได้ดัดสันดานตัวเองว่าตัดออกไปหากสร้างมักดีใจบอดีใจตัดออกไปตัดได้บางครั้งจนหูมือว่าโอ้คือตัดออกได้หลายแท้เพราะว่าตกใจนะ วันนี้กระนั่งบเก่งพอกับโบเข้าใจยังบางทีอาจจะเข้าใจหักเมื่อคือโบเข้าใจมันเป็นงงงเป็นสติโบเต็มทีน่ะหลวงพ่อวันนี้สะังเกตตัวเองว่าอืขั้นตอนออกหลายแบบนี้มันมันถื่อเพะมันถื่อทางเพราะเฮียทำมาออกมาจังซี่ตะกี้เท่ากับคือโอเคอยู่มันเฮียทำมาคือมีความถูกหมายเข้ามามันต้องพิดตตัวใดตัวนึงหลวงพ่ออันนี้พู้จักตัวเองว่ามันต้องพิสตัวใดตัวหนึ่งทีเขาน้อยอาจจะบรได้เหตุ ก็มื้อเต็มหรือจังไดมันต้องพิดพอผู้ตัว่ามันพิชอันใดอันหนึ่งพนก็ะหาตัดออกว่าเออความดีใจโบดีใจแต่ว่ามันตัดออกได้คำมันตัดมันตัดปุ๊บบันดึงเลยแต่ละช่วงมันจะกลับมาคืนมันยังมีดีใจโบดีใจโบพอใจอันนี้ยูเขาไล่กลว่ามันมันมันบโบต่อเนื่องนะหลวงพ่อมันโบต่อเนื่องยอมพังกับโต่อเนื่องเออเหตุบธที่ใดก็เลยก็มามาแก้ปัญหาว่าเออเห็ุบีที่ใดยังพูดจักว่าแก้ปัญหาตัวเองว่าเหตุวิธีใด เพื่อว่าให้มันเอให้มันเอสอดคล้องให้มันโบมีปัญหาเพราะว่าเรื่องธรรมะใจห้าสะอาดแหละที่เขาเนะใจห้าสะอาดหลวงพอ่อเคยว่ า, วาเฮดเวียกโดยโบมีเงินไข่ขั้นคนหู้จักว่าเฮดเวียกโบมีเงินไข่ปัญหาต่างๆมันจะโบมีแต่เฮานั่งมีอยู่ของเฮาก็หมายความว่าอัตราตัวตนของเฮานังมีอายุเฮายังบริเต็มเพราะฉะนั้นเขานั่นก็นจะตัดออกว่โอ้ดีก็บเอาละ่ะ เสียใจดีใจโบอ้าวเาพราะใจโบเพราพใจก็บอต้องเอาละร้องร้องเบิงวา่ามันสิได้โบได้แล้วข้น้อยโดยได้ละแล้วข้าน้อยคือว่าสิร้องเบิงวา่าเอามันแบบสุดเป็นสุดตายร้องเบิงวา่าขอความกรุณาหลวงพ่อก็มาหาภายร้องร้องจัดการอ่นลิงตัวน้อยนี่เบิงวะเสียอาวิธีใดนะย่อมย้อมให้แก่ให้ข้น้อยนะเพราะว่าต้องเอาตัวนี้ออกให้ได้นะหลวงพ่อเพราะว่ามันจุดนักของเขาก็คือเขาเหตุยูนี่ก็ได้ซอยพระอาจารย์เพลน์ยูนี่ตลอดก็เพื่อเอ้ยมาตลอด แล้วขั้นมามันมีมาต้องมาแตงอุ้งบกอุ้งใจหรือมันตัดบกขาดอาจจะเป็นควงพิดของข้าน้อยหรือว่าจังใดกระเบื้แต่ว่ามันคือบอลบอเรียบร้อยนะหลวงพ่อเขาอยากเอาออกให้หมึดเขาต้องอยากออกให้มึดเพื่อจะบอลได้มีอย่างขั้นว่าขั้นออกมาแจ้งสว่างก็ถือว่าซอยคนอื่นได้คือกันซอยคนอื่นได้คือกันแต่ขั้นตัวเองสิไปซอยคนอื่นตัวเองยังยังอยู่ในความเอ่อบอลเรียบร้อยผู้ตัวเองว่าบอลเรียบร้อยเขาถ้ากิดบอลสามารถเทว่าจะไปซอยคนอื่นได้ได้หลวงพ่อเพราะว่าต้องเอาตัวเองให้มันรอดนึ่เอาคนอื่นได้ เพราะฉะนั้นขั้นคือขนอน้นอนแหงคนจริงจังร้อยเปอร์ซเนี่ขนร้อยกับร้อยพันกับพันเนตายก็ตายตอนนี้เราได้บริยานแต่ว่าขั้นตัวเองยังร้อยเปซ็นีกเขาจะบ ก, ก้าบบ ก, ก้าย่างก้าวขาออกไปขั้นตัวเองยังมีเครื่องมือวานี้เขาได้ขาดสติขออนุ ญ, ญาตกับนำ้ำพระสการหลงพอ่อขออนุ ญ, ญาตว่าขอโทษหลายเพราอวันต้องลุยพันพลาลัดปุ๊บลงลุม่มเขาไดก็โอ๊ตพลุยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาบอกให้พันขึ้นมาขาดสติเป็นแม่นุ่งสุดขาวอยู่ขาดสติโอ้ หูว่าขาดสติหูว่าขาดสติก่ายอนยังสั้นจะมาโดยขาสตินี่เขาต้องใส้หลายๆต้องใส่หลายๆเพราวะขั้นเขาได้สติขึ้นหรอกราะว่ามันก็ได้กมันสูญย่างข้นอ่อนนี่มันยังเป็นไหมว่าขั้นได้ได้อีริร้อยเปอรนต์มันกลับมาคืนหรอกพระมันกลับมาคืนมันยังไม่ดีใจเสียใจขนาดนี้ไหมว่าอังสั้นบอพอใจอย่างนี้สิน่ะวันนี้ต้องต้องตั together. ดออกให้หมดเลยดีใจก <c und in iona> ็บกเอาเสียใจกับกเอ๋าเจ้ามักไข่กระเป๋าเจ้าว่ามักกระเป๋าเสเสร่ณองเพราะเขาต้องเอาตัวนี้ให้ได้ขั้นเอาตัวนี้ได้กา แต่มันมัน่มนมันมันเป็นคือแบบขึ้นหลวงพ่อว่าอะไรหากแก้วนะี่หลวงพ่อห้ากแก้วหา้าฝอยนี่แหละกรณีตัวนี้เขนได้ได้หลายแล้วเนี่ยได้ได้หลายตัวนี้ตัวห้ากแก้วหา้าฝอยนี่ได้ตัวนี้หลายโดยเพราะว่าเขนานคนบ่มีปัญญาต้องเบิงตามตาตัวเองเห็นโดยโด ย, โด ย, โดยเพราะว่าคนบ่มีความหูต้องเอาแนวนิสัยเนีคือแบบที่เขาได้ว่านี่ยก็เสียก็สิทยกตัวอย่างตัวห้าแก้วห้าฝอยว่าตัวเองสันดานตัวเองมันเมันเลอเพราะเคยเป็นนิสัยแบบนี้แล้ว นิสัแบบนี้แล้วมันต้องยังซี่มันต้องแบบนี้ก็เลยมีปัญหาโดยต้องต้องปรับตัวเองขั้นปรับตัวเองแล้วบนี้ก็อยู่ในคนส่วนหลายบางเธอห้าวกับแบบเออจังซี่จังสั้นบ่โทษคนอื่นโทษตัวเองโดยโทษตัวเองเนาะโทษตัวเองแต่บันีิก็มาเบิงไว้โอ้มาแก้ปัญหาจะแก้ปัญหาพราวนาหนึ่งมะยุดนักก็คือเห็นธรรมะขั้นบุคคาเจตธรรมะนี่โง่หลายได้ลงพอให้แต่ตัวเองด่าตัวเองโอ้โง่หลายโง่หลาย หนึ่งมันจะเห็นธรรมะเจ้าสิไม่เห็นเหตุอย่างกันเห็นเพื่อเข้าใจเพื่อบให้เพื่อให้แก้ปัญหาเพื่อให้ถึงพ้นทุกข์แล้วมาเห็นเจ้ายังสิมันน้าตาตกอยู่งัวที่สุดเขาบ่างัวที่สุดอ่าเราเจ้าให้เข้าใจคนก็ให้มันลึกซึ้งขั้นมันลึกซึ้งแล้วน่ะมันจะบมีตัวที่สองอีกเลยน่ะมันจะผ่านก็คือเบ้านั่นแหละบันนี้เขาได้ก็เลยว่าเออเอาต้องหู้จาว่ากันเห็นธรรมะมันต้องเข้าใจมันต้องโปร่งใสมันต้องให้สะอาดของเขาเนี่น่ะจะบอเกี่ยวกับคนอื่นเลยเนืที่ตัดไ้ตัดมันไปเลย ในทีหมักเนี่ยว่หมักตัดมันไปเลยรองเบอร์ไหนต้องต้องต้องสูดกับตัวเองเนี่ยเขานี่สูดกับตัวเองมองเธอแกยังฮวงนั่นที่อุ้ยน่องว่ได้ต้องเป็นคนเห็นแก่ตัวตัดกันยังง้างยังยัอยู่ยังเออเออยู่ก็นเลิกแบบคือจังซีจังสันอยู่บ่ได้เปิดหาตัดเข้ามาตัดก็คือบ่หมีบ่มีตัวนั่นเลยนะมันมันต้องบ่มีนะว่างมันต้องว่างเปล่าตัดออกไปวันนี้ตัวห้าเก้วห้าฝอยไปนี้หลวงพ่อห้าเก้วห้าฝอยนี่มันก็ขึ้นข้าเองนิสัยสันดานของตัวเอง เออจังซ <Cornell>. ี ar, ่จังสั้นเรียบร้อยจังซี่จังสั้นอันนั้นอันนี้คันป่าเขาเห็ุแล้วมันมีมันนั่นนี่ไม่การกระทบอย่างการบอดีใจจังสั้นซี่อ้าวก็คืบอดีใจดูแท่เจ้านั้นบ่าตัวเองบอดีใจเบื่องหากแมนเน้นเนาะต้องเอาออกเธอละน้อยเอาตัวเองออกเธอละน้อยห้าแก้วห้าฝอยเนี่ยนะคือนิสัยเคยเหตุนิสัยเคยทําหรือจังซี่จังสั้นเปลี่ยนหมดหลวงพ่อต้องเปลี่ยนมดมันจะงสีข้นตัวนั้นลงได้ด้ มันตั้สิคนตัวนั้นลงได้เขาหน้อยกับเปลี่ยนเอาตัวหักแกะหักฝอยนี่ออกเอาความที่ว่าเคยเห็ดออกเอาคนทีบ๊บพอใจออกเอาคนที่นี่ออกเอาออกให้มันมดตัดไปเลยตัดไปเลยบ่ต้องห่วงเลยบ่ต้องบ่ต้องหันหลังเลยบ่ต้องหันหลังเลยแล้วกระเบื้งตัวนี้นะฮะเปลี่ยนเอาวันนี้ขั้นเขาหอยเปลี่ยนเขาน่อยเองแล้วก็ขึ้นว่าพอถ้ามีความตั้งตั้งตั้งว่นในสรทานี่มันเต็มร้อยแหละหลวงพ่อตั้งแต่เริ่มทําอิฐละเลนเข่าวนขวแต่ละข้างแต่แน่นอนหลวงพ่อมันจะไม่ได้เต็มนเรเเ่วียม แล้มาปฏิบัติมันเป็นอย่างสิ่นสิ้สนมาได้วันนี้ก็เริ่มมาสองสาปีก็มาข่าเป็นเต็มเจ็ดวันเจ็ดวันก็ถือว่ า, อ, าอยากอยากให้พัฒนาตัวเองวันต่อไปบยุดนักก็คืออยากพ้นจากความทุกข์คำว่าความทุกข์จะให้คนอื่นพ้นทุกข์มาได้ดอกต้องตัวเองทุกเอาทุกออกงอนจังคอยสิ่าเบื้งคนคนอื่นได้วันต่อไปเดี๋ยวผู้นั้นเอาจังสันผู้นี้เอาจังซี่เดี๋ดยวฮะผู้ใดอยู่ในขั้วโดยบื้อเขียดเบื้อขมือถือว่าธรรมะไปไกลเติบมันได้ ฉ่นั้นเท่ากัทีนี้เราได้ตัวแทนจากผลีตตัวแทนจากจะตัดบวกที่เราฟังตัวแทนจากเยื่องมันอน้องลินนะพชัชรินเนะเ า, พานนะาพาชัชรินว่ามาปฏิบัติน้ามูอแต่ว่าพ่อมูอเป็นไปแล้ ว, ลวเราก็บอกเป็นนําเราก็ตั้งใจปฏิบัติทางอย่างนี้แหละเออถ้าหากผู้โบมี่ปัญญาหลายนี่มันน่าเบื่อหนา นั่นน่ะไปเห็นมูนั่งรับตาได้หลิดได้ช้านได้เดชได้ปฏิหารได้เห็นนั่นเห็นนี่มันมันอดบ่ได้ได้อยากจะไปเห็ดนําเขาน่ะแต่ไม่เมืมาเห็นเจ้าของมันดีกว่าอย่างอื่นมันบอกมันก็เห็ดให้เาได้เห็นสติเห็นปัญญาเห็นจิตเห็นใจจะบอกเห็นข้างนอกจะไปเห็นยังไรสาระแต่เห็นเจ้าของเนี่ยมันแก้ไขเจ้าของแต่ไปเห็นอย่างอื่นบ่เห็นแก้ไขอย่างบ่ได้ได้เมืนบอกนี้น้องพัชรินจะเลอยฟังว่า รักษาการปฏิบัติเวลาอยู่บ้านอยู่เฮินรนไปเหตุการณเหตุงานใด้เหตุยังไดเนี่ยไปรประยุกยังไดโเคเป็นกระยาสเนี่ยมีไทยแปมค่ะได้ได้พอเพินินเป็นคโคทีดีเป็นโค้ที่ดีอยู่เคียงข้างลิ้นตลอดแล้วกะแนะนําให้ลิ้นม้าปฏิบัติทำปีที่แล้วลิ้นมาหาเมือ่อลิ้นกัตอนแลกลิ้นบัลลูว่าลิ้นใดหยัง หาเมื่อกันนั่งเหงานอนตลอดทั้งหามือกันรับไปยกมือไปรับมือมือไปแต่ว่าพอลิ้นกลับไปบานลิ้นกลับไปเหตุตลอดทีหลวงพอบอกว่ายากหน่อยหน่อยให้ได้สองชั่วโมงลิ้นกับพยานาเป็นนางเหตุเวลาลิ้นไม่ได้ทำงานลิ้นว่างลินกันนั่งยกมือยูลานค่ะแล้วก็พอเหตุม้าเรื่อยเรือยเหตุมาเรื่อย เ, เรื่อมันก็นเริ่มเอ๊ะสะติคือดีสติก็เริ่มดีขึ้น สว่าดมูลิ้นจะกลมใหญ่ๆอย่างสิค่ะเวลาเบากันกัสีมิตรนินทา้ากันว่าค่ะหวงไม่ยิงนินทา้าเบากันเป็นชั่วโมงกัสีนินทา้าตะเหลียงคนอื่นลิ้นกะเลยเห็นว่าเออเขาก็เป็นจังสันเนาะตะกี้เขาเป็นคือเพลินแบบ น, นี้เพระเขามีสติเขาบ๊ไปเป็นๆคือเพลินเขาแค่เห็นเพลินว่าเออตะกี้เขาเป็นแบบนั้นอย่างสิราคาแล้วกะตะกี้เวลาได้ยนินค้นวากัน เขากะเอาเอาคำที่ก็เจ้านินทากันกลับมาขีดว่าเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าเขาเอาเรืองมาขิดเอากลับมาบานนําบางสีนะคะของมันเป็นถูกผู้นันคือเป็นยังสีคือยังสีจริงๆค่ะดี๋นี้มัเป็นค่ะเวลาได้ยินค้นบอลอย่างเขากะกลับมาบ้านแล้วก็กลับมาตตัวแต่ว่าเขา่เอาคําของก็เจ้ามาน้อนขิดคือเกาอ่ะค่ะแล้วกเอแล้วก็จังขอบครัวตะกีก่ะ เขาลินนี่ ก, ก็เป็นคนงดหยีดง่ายเป็นคนบ้าปากตะ ก, กี้บ้าหลูคนภายนอกกัคิดว่าลิ้นเป็นคนลิ้นมันคนใจเย็นที่แท้เขาเป็นคนเก็บกดพึงบ้าหลูตัวาเอ๊ะพอมาปฏิบัติธรรมก็เลยรัวตัเองเก็บกดคนภายนอกคิดว่าเขาใจเย็นใจดีที่แท้บัวแมร์พอมาปฏิบาททาัติธรรมเฮ้อเขามันเก็บกดตัวนี่เวลาสวนแต่ระเทียนเราเบิดลงบานนัง่นสินะค่ะตีถางขยะกระพองตะ ก, กี้ค่ะ ตาแหลกกะเออบันดิมัลโอเขาเก็บกดตัวนี่เขาบว่ามันค้นใจดีมันมันสะสมไว้ในใจอะค่ะต่างแต่ว่าปฏิบัติธรรมนี่กะเออปล่อยใดเออเขากับเป็นยังสัน่นเนาะเห็นจะคลองชัดตะกี้เขาก็เป็นคือเพล่นเอ่อเวลาเห็นอีอย่างเห็นไผ่วาไผ่เขาก็บรรเยาเยบว่าเพลินเพราะว่าเขากตะกี้เขาเห็นเพลินเขาก็คิดว่าเออถ้าบก็เจ้าได้ ม, มาปฏิบัติธรรมเดมามีสติคือเขา ก็เจ้ากับสีเป็นแบบเพราะล่ะพอตะกี้เฮาบ่ได้ปฏิบัติธรรมเฮากับเป็นคือกันนั่งเสียก็เห็นชัดเจนนังเสียนะคะเออก็สิงกดงี๊ดเพลินเหตุบ่ได้ดังใจในกับสีแบบบางทีสามมือบ่ อ, อยากวาน้ากับกับเป็นค่ะ <c oughs> เป็นคนเก็บกดเพ่อยเคยเวาวเครียดเนี่ยเพราะวาเลยค่ะเพระระบายออกเดนีเพราเห็นเพลินเออบอกเทียนนึงเพลินกับป้อยเป็นไปกะจังมาบอกไม่ดีๆนั่งเสี่นะคะใจเย็นลงแล้วก็ เห็ดมันเป็นทั้งสล่ะถ้าเกิดมีอย่างที่มั น, นดุลนี่สีบ่อฝาวเห็ดสีเห็ดอย่างที่มันจำเป็นก้อนค่ะสิบ่อฝาวฝาวฝังเห็ดคือตะกีค่ะจังวัวหยุดนี่กัสีหลู่ทันทีแล้ว อ, อ, อันใดสำคัญหน่อยสำคัญหลังไปเอาอยางที่หลังไปเอาอยางก้อนอีอย่างนี้ค่ะอืมการตัดสินใจการคิดกับสีสาลงบ่ปกปรับเพ็ดคือเกา่าตะกีค่ะค่ะก็ดีขึ้นค่ะ ดีขึ้นตะกี้หยาิก็เคยว่าลินตลอดเธอเห็นอย่างบกคิดเธอเห็นอย่างบกคิดตะกี้บ่บ่ฟังเพิ่นบ่หลุตัวตอนนี้พอกับไมย่ย่อนฝ่าถีกหยาดลิ้นเคยบอกลิ้นว่าเธอเห็นอย่างบกคิดเออมันแหมนอิเลี่พ่อปฏิบัติทำมานี่คำสร้างสอนนี่มีคนสร้างสอนหลายยตว่าตะกี้เอเขาบ่เข่าใจคำสร้างสอน พ อ, พอปฏิบัติทําแล้วเออคําสร้างสอดที่ทุกทุกคนสอดเขามันแมนเมื่อหนึงสี่นะคะกับประมาณนี้แหละค่ะครับเดี๋ยวข้อดําเนินการาลุงพอดีเด็ดเป็นธรรมิธเงินกัน่อยแต่ม่หูมาจากในน้ำแค่ในน้ำของเอยเอยคําว่าให้ไปในน้ำมาปฏิบัตนินํนากันก็คนก็ดีอกดีใจว่าดมแม่หูเป็นธรรมิธเป็นครั้งแรก แต่ว่าพอปฏิบัติมาได้เช็ดมือี่้ขบหนีแล้วคนหนึ่ยคือหูซึกธรรมดาคือผู้หูซึกอันว่าที่ที่มีผลแบบว่าท่านตานะคนหนึ่ยว่าคิดว่าขึ้นได้เห็ุไปอีกจากสอ ง, ส อ, งอาทิตย์หรือสามอาทิตย์คือสิมีผลอีกแต่ว่าไม่ีโอกาสนาได้มาเข่าห่วมก็สิมาห่วมตลอดจนว่าปฏิบัติได้เห็นคือคือมือคือวก เออเรื่องเรื่อปฏิบัติแต่ว่าจะให้หูหมดถูกแนวถูกสิ่งถูกอย่างนี่มันก็เป็นเรื่องของละเอียดเรื่องธรรมะเป็นของละเอียดหลายแล้วว่าถ้าเหตุไปเหตุไปอาจจะมีความหู่แจงตาตาใสขึ้นมาอีกในโอกาสนะ่ะเมื่อเป็นมื่อเป็นดังมีแล้วคนเรากดคอกเอออยากทราบว่าพวกคนเรามาปฏิบัติเนี่ทั้งกลับไปบานฮหดเมืองแล้วถามามูพวกถามว่า ไปปฏิบัติธรรมได้ยังกลับไปแด้เราจะให้คําตอบพวกกันนะพี่พี่น้องน้อพอแม่พิพากษาเอาทั้งเมืองคนหน่อยสิตอบกระจ้ายังไดขอให้พระเดชพระคุณให้ความแนะนำคนหน่อยได้ขนาดขอกรบกรรจายขอนมัสการถ้าจะตอบง่ายๆได้บ่ตอบว่าได้ฮูเมียตูสจอธิบายได้บ่ความหูเมียความหูซีกตูนี้อธิบายได้บ่ พอได้หูซึกตัวตะเก او ได้บูหูซึกเลยแต่เกา و ในความคิดไปกับบูหูความคิดอยู่กับบูหูจิตวางกับบูหูจิตวุ่นกับบูหูส่นะแต่เก او บูหูเดี๋ยวนี้มันเริ่มหูเขาจะเข้าใจว่าตอบแบบนี้อ่าก็ตอบแบบนี้ได้แล้วนะเขาคือตอบในสิ่งที่เข้ามีเข้าเป็นอย่าไปเอาสิ่งที่เข้าบ่ามีบุเป็นไปตอบมันบุแมนของเขา้าอย่างน้องลิ้นเนี่ยว่าตะเก او นี่ฟั ง, ฟ, งฟังคนสอนแต่บอกเข้าใจเพราะมันบุท่านเกิด ปัญญาบ่เกิดธรรมะจักสุเพราะเกิดปัญญาเกิดธรรมะจักสู้เขาสอนผู้ใดเว่าวยาวาก็แมนคข้สอนเมิดดี่เด้ที่ได้ดวงตาคือหมายของว่าคข้สอนบรมยพระเว่าเท่านั้นสามีว่าวแม่เว่าพ่อว่าวแม่ยาปัวปูเว่าวนี่ว่าวดีมืดแต่เข้าไปเห็นเป็นคำดาแตะกอนะเห็นเป็นคำจุ่มเห็นคำนินท่าแต่หลังจะเข้าได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วแม่เต้เด็กน้อยว่าเข้าก็ะไดเป็นคำสอนะบ่หาแต่ว่าผู้เท่าผู้แก่ผู้ลูกผู้ ขั้วอาจารย์โบเมนเด้ผู้ใดกระตามเบาที่หวังนี้ก็เขาได้เพื่นสอนเขาเขานี่ย่อมือหลับป่ะหลดโอตะโกมุกว่ากูอย่างโบเมนที่กูโบเมนอันนังกูุกว่าอย่างใดไปพุ่นเดชอาต่าตัวตนเขาน่ะไอการที่เขารอดตัวตกลงปั๊บเนี่ยคขาสอนในตัวเขาไม่เริ่มพุดพ่อราคาลดลงศีลมันเกิดพอโทสะลดลงสมาธิมันเกิดพอโมหะลดลงปัญญามันเกิด ถามว่าสีนสิปัญญามัธยสัยมันก็จากมาโลภะโทสะโมหะที่มันมันขังห้าตกล่ะพอเขามาปล่อยมาวางมันปั๊บสีสิิปัญญาตมันก็เกิดมันก็มีเข้าใจได้ปนี้ตอบยิ่งสี่เขาจะเข้าใจบ่เออตอบยังสี่ได้ฟังพโยยัยจากตัวเทนเยอรมันคนใหม่จากเยอรมันอีกคนหนึ่งพโยยัยพโยยัยเวียงใช่นี่เนาะการไม่นี่ถ้ามันตามีนบุดังต้องให้มันเสมอปากสิ ขอดอกนมัสการพระอาจารย์อิเรศขน้อยก็ขน้อยขอก็ข อ, ข อ, ข, ข, อขอบใจน้ำพระอาจารย์เป็นยั่งยิ่งเมื่อก่อนขน้อยก็อยู่บ้านอยู่เหนินตามธรรมดาบวได้บังจิตบังใจตัวเองปล่อยให้จิตใจบุยุกันเมื่อกับตัวอของขน้อยที่ได้มา ได้หกมือเจ็ดวันนี้ก็ใหญ่ก็เข้าห้องเข้าหอยเนาะจิตใจก็มาอยู่กับเนื้อกับตัวสิ่งที่ปรากฏขึ้นก็คือว่าตั้งแต่ปีพันสองันสิบมหาฮอดสองพันสิบเจ็ดเที่ยวไปห้าด็อกเตอร์ตลอดที่ว่าผิดแป้งนัวเนาะกินแปลงนัวบัร้ายพ้นละไมก่กินบัวร้ยอีกพ่นละไม่เป็นบักแอปเปลิลเป็นบัคเนี่ย กินล้กแดงขึ้นทวดตัวเลยคันไปหมดทั่วตัวเลยนอนกัางคืนี่แหงกระเตกเลยไปว่าตุ้มพมมันได้อัความอุ่นจากพ่อฮบเนาะปกนะเก่าอยู่ตลอดไปต่ำอ่ะต่เมียตลอดเมียว่าเอามามามาโตต่อยู่ตลอดเมียว่าค่อยไปโตะเจ้า่าค่อยคันตุ้มนี่นามามาได จัดระเบียบกายระเบียบใจกับพระอาจารย์ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาอย่างยิ่งอ่าอ่าให้เลยนี่มือนี้มือที่หกแล้วอ่ามือมือที่หกแล้ว <c oughs> <c oughs> บุริกินยาเลยแต่ยากขามียังมียุโรธท่นนานคบว่าคันนอนบุริกันคืนทิ่ทไปเอายามากินว่ะบุริกินยาเลย <c oughs> เป็นเรื่องแปลกประหลาดใช่ไหขน้อยกระหม่อมว่ามันเป็นน้าหยองเนาะ ก็คงแต่ว่าตั้งใจว่าสีมาจัดระเบียบจิตระเบียบกายให้มันเข้าห้องเข้าหอยและบวมบวมให้มันไปทั่วทีพนะให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวว่าะก็หลูกคันกันเลยหายหไปเลยแล้วอาจารย์หายนอนได้ดีกลับบ้านมันก็นั่งสั่งอย่ว่าเลยโดยโดยแน่นอนอย่างละขณอยกับบ้านไปนี่ขณอยก็ที่ต้องไดเฮตอยู่ตลอดล่ะมือดีขณอยขอนนวัตส ก, กัดหลวงพ่อก็ไปว่ามือนองงี้ ปีนี้เป็นปีที่สองโดยปีนี้ปีที่สองอได้มา <c oughs> ห่วมนามาสการหลวงพ่อแล้วก็ได้มาห่วมหน้าหวมตามุทธพจนที่ได้เพิ่นว่าว่าจะไหนญ่มีปรสนาบอกฮะแม่นบอก ไ, ได้มาห่วมวีปรสนานำสุภูุค้น ผู้มาต่างแดนอยู่ในเนื้อรบยุโรปนี่คือดีนว่บบาบุญลายปีครั้งที่สองอลออแล้วเกิดเจ้าว่าเมื่อนี้อยากขอเบ้าน้อยหนึ่งนะและ้วเขาหน่ยผู้ซึกว่าผีที่สอนี่เกิดนั้นผู้ซึกว่าจับใจขึ้นคนเก่าแล้วเกิดขาหน่อยเข้าใจอยู่วิธียังไงฮะแต่ว่ายังโบรานคือมันโบรานถึงมึงสูง ครับแต่ว่าเรื่องหลวงพ่ออธิบายออกมาเขาเลยเข้าใจมดสุซแนวเพราะว่านี่มันต้องทำเขาใจยินพอต้องให้มันใจหอ่อนคันว่าใจยินลงไปแล้วมันก็ดีมดสุสโซแนวพอเขามีสติแล้วก็ต่อมามีสติขึ้นแล้วคือหลวงพ่อว้าล่ะปัญญาเขากับมานําหลังเขาสีดวงสิลืมไม่ยัง เขาซีเวลเนี่ยคนลุเวาไปรู้เลยเขาก็ต้องเข้าใจบอลแมนทีออกปากออ ก, ปออกไปออกไปรวดคณะออกปากมาแล้อย่างนี้มันบันึกคนฟังมันกับมวมวลแล้วเอาออขึ้นมาได้อันนี้เขาโดยเข้าใจครับอีกอย่างหนึ่งก็โบเอาไปรวดนัดเจียนใส่เกียรใส่แหงหลายมันคืสิ่งมันมจิขังดยก็ดยมันิัอ เ, เอาเจอ ล, <ะ>ลิบเลยครับ ทอนไปทีละหน่อยคือเขาโอนทอนเงินอยู่ใน บ, ในบนั้งอะได้แบงนล้ทอดปีหนาปีไหนหัวอยู่เมืองนี้มื่ก็้ว่าอดได้ทอดเป็นล้านเนาะโม่ที่คืนมันกล่าวลงตอนได้แล้วก <c oughs> ็ได้มีทฤษฎีแบบอีกุลนี้เอาเนื้อลโอัลโอลเขากราบนมันนนสการพระอาจารย์เรกกลักกาคนแสดงคนหักแพงนำมาญาติทำ ดีใจที่ได้มาพ่อกับหลายๆคนเนาะได้มาห่วงกันปฏิบัติธรรมอ่าสำหรับปีนี้ก็เป็นถือว่าสําหรับข้าพเจ้าเป็นปีทํามพิษเนาะที่ได้มาประกอบส่วนอ่าได้มาหูจักว่าปฏิบัติธรรมเป็นแนวใดแล้วก็อยู่ในอ่ะกฎระเบียบแบบใดมีหลักการแบบใดแล้วก็มีสินแปลเนาะข้าพเจ้าเองก็บุเคยถือสินแปลจะเพะียวเบายัางไๆสินหาเท่ก็ด้ยินที่เพิ่มเบาแล้วก็ ปติคือแตว่าปฏิบัติให้มันถือต้องตามกฎหมายเก <laughs> ิดก็สิมันถือกับสินหาอย่างหน่อยนะเกิก็เลยบดได้อันนั้นแล้วเรื่องอธรรมอาแท้ครับเจ้าเองก็ใจอ ย, ยู่แล้วเกิดแต่ว่าเขาไม่ได้เข้าไปไปหู้จักเไ่ได้เป็เลิกแล้วก็ที่มานี่ก็เป็นนังขำเนาะก็เป็นขับขับเจก็เป็นหมวกกับสีสุกเนาะอันนเป็นอสื้อสีทาเนี่ สารภาพเจ้าเองก็ยั ง, งมันคือบทบนข้าเข้าเถอบทลิเจไหนก็ยังอนั้นอยู่ก็บที่ไปปรึกษากับนางคำอะไรครับันเี้ยไหก็ขาดเขืนกเป็นเพ่อเพ่อนอธิบายกันเลยใช่ย่าของเร็วเบิงก็บทเบิงเบิงตัวเองกันก็ได้เบิงตัวเองเขื่อนก็ต ok ้องซื้อไตัวเองนี่คือบุขเข่าใจครับตัวเองกัน่าเป็นอย่างขึ้นมาอ่อนเอแฉใช่ไหมความสามารถกัมีนี้ขอเนี่ยทุกคนเด้อว้านี่ก็อ มุ่งว่าเป็นอย่างว้าอันนี้เป็นว่าตัวนาณะสมศิกเนี่ยที่ทำเนะนะนาะกับบ้าหลวงพ่อเนาะขั้นแก็เป็นพิธีกรน้อยนะตันาหาร้อยหกร้อยคนก็เลยเคยเป็นนะแล้วก็ร้องเพลงก็เคยร้องตันาศิหาร้อยคนแต่มาที่นี่ก็ได้นู้ซสิกว่าออนไลน์แล้วก็ว่าถึงการเย่งสือกับศิษุกกับแม่มาอยู่แถวนาของประเทศและศิมาแย่งทำนี่พระอาจารย์ อาจจสดงจธรรมาเนี่ยนะถ้าท่านเคยว่าก็มีออกคำว่าโอ้ข้าท่านบุคคลฟังแบบนี้จชิดเถิดเลยข้าทนสนใจแล้วก็คือว่าคือมาดีแท้แต่แก้งๆแบบนี้นะเคยไปวัดไปวัดมันถ้าศีพไปวัดไปวัดส่วนใหญ่เป็นเรื่องสังคมส่สิกระไรเมันพิธีการวิหลายแต่ว่าธรรมะที่เท้บนโเห็นเปิดโอ่มาใส่ใส่กับโบหอดสิบห้านาทีสาวนาทีส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นเท่านั้นแล้วก็ที่เอาไปปฏิบัติเบิ้งว่า มันสิเป็นเนี่ปีค่าฟ้าโชคดีปีหน้ามีโอกาสกับสิกขามาใหม่แต่ว่าเมื่อคืนนี้ก็ได้ได้พากันถามกันศึกษากันกับสีบุกแล้วกันแล้วไปโพส YouTube วิดีโอของท่านอยากโพสขนาดว่าโอ้ยสี่ด่ายเนาะฮขาระบุมีพลังน่นจิตพลังสมองจะมาหับเอาเพื่อเอาเอาวันขัสโนดี่ดีมามาเทศมาสังส่วนไว่า สมองเขาคือคือบหับบุไดซะหน่ะบุคือกืบสมัยตะกี้เนี้หนูือคือว่าเก่งทบับบแบบบทํามานี่ยคือฟังแล้วคืนมือเทงรู้ไม่เบิรล่หละเชี่ยวชาญจะดาววียงได้เลยเพราเพิ่นเป็นทีทีเพิ่งมาใั่ไหมอะัรข้าแต่ก็มีท่านีย่างนั้ก็ขอบใจใหญ่เดือดอบอกให้ภาพเป็นสายควนไปว่าเขาเขาจะ มีเวลอีกหน่อยหนึ่งจะทำทวีที่หน่อยหนึ่งนนยัดกิ๋วไว้บอกไม่ออกไปไม่ไมัานาญาตหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อใส่แล้วมันดีเลยนนะบัดผู้อื่นใส่บ่เคยดีเหมืนได้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็เอาเนะาะเพราะว่าถ้าสุขชนเราจะบริจินเข้าได้วันนี้ก็แต่ที่นี่นั่งค่ําในฐานะเป็นไอ้พระมูมา่าปุณเก็ยร์อยากจะถวายปัจใจทายรรมให้มูผ่ามูทรง ไปใส่อินะเดะอย่าผู้ใดมายิบไม่ยืนให้หลวงพ่อหลวงพ่อบรรลับด้วยพ่ออย่างเพราะว่ามันบเป็นทางการพ่อเงินทองเป็นของห่อนเขาจะหับโดยบวมีพิธีรีตองบวได้มันจะเป็นบาปถ้าหับแล้วหลวงพ่อก็จะบอกว่าหลวงพ่อเอาไปเหติหยังก็ต้องบอกผู้เจ้าหูเพื่อนถ้าไปใส่ส่วนตัวกับบได้เพราะว่ามันเป็นเงินส่วนร่วมก็ไปใส่ส่วนร่วมเพราะว่าหลวงพ่อบอกเราว่าหลวงพ่อบวมีความจําเป็นต้องใส่ปัจจัยล่ะเราพลาดอย่าจับปัจจัยอีกกบวได แต่เอาไปเข้าบัญชีไว้เวลาผู้นั้นเอาของไปผู้นี้ต้องการก็เอาบัญชีนั้นให้ไม่ออกจัดการกันไปอีกสิแนะแต่มันเป็นพ้นพือ่อใดเวลาไปเหเปเ็ดเบี้ยเคหงานอยู่อันนี้ที่หลวงพออ่อโดนบอโดนเสาวาอาไปตั้งกองทุนซอยเล็กน้อยการศึกษาไปซอยกองทุนเห็ดอ่าเสน า, สนาชนะวัดเอาไปซอยกองทุนการอบรม จัดอบรมแต่ลบอลเวลามันขาดมันเขินเท่าเอาเงินเนี่ยไปซอยเองสินะพอตั้งไปหลายกองทุนแล้วแต่ว่าเงินมีทั้งใดกัเข้าไปทั้งนั้นมันก็เหตุให้ได้ซอยค้นถึงทั้งบอดดาปฏิบัติทั้งมาปฏิบัติกเหตุให้ใหได้ทรงเคาะสังคมสงเคาะศาสนิกชนไปนํางแล้วก็ทั้งด้านธรรมะเขาก็ทรงเคาะด้วยกันบอกกันว่าที่พญายวานคือว่าวันฟังให้มันแจงๆโดดไม่อย่างบสถต้องไปเก็บไปงําไว้เห้สร้างวัดว่าว่า น่าจะมวลวอลลอกวอลเลนเวอลกันพอแห้งแล้วคือบอกบอกความจริงกันฟังชุนชุนยญ่เอามาบอกบอกพ่อใจกระพออ่างกันสะคือว่าไปทัวร์บุรีว่าอันใดมันเป็นปัญหาจะแก้ไขรยังไดเนี่นะปัญหามันเกิดยังไดจะแก้ไขรยังไดมันก็นอะไรปัญหาบุญมดจกเถื่อบอกไม่ออกเขาท่านั่นมาไปใส่เนี่ยคิดว่า การบอกฮอเป็นครั้งสุดท้ายฮอดจะบอกเล่นบอกหรอกบอกความตัวบริเวต้องบอกความจริงฮอดบอกไปแล้วมื่อื่นฮอดตายด้ไอ้สิ่งที่ความจริงเฮอดกับบริวารก็เสียดายหรือบางที่ปีหน้าฮาบริเวมา่พ่อกันอีกเพิ่นตายด้เยฮาก็บบเพิ่นกับบริวฟังความจริงมันบ่ละทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงบรเทียงเพราะนั้นเวลาได้บอกก็ต้องเอาความจริงมาบอกกันฟังถ้าบริวาความจริงกับบริวารเพราะมันมันเสียเวลาเฮอดกับไปสั่งสมศีลสั่งสมสมาธิสั่งสมปัญญาเอาไว้ แต่มีความจําเป็นเท่าก็สินเจียสองจะไปให้เพิ่อนวันนี้ออกมาเป็นคํำบอกออกมาเป็นการกระทําออกว่าเป็นคําสอนนั่นคือสินสมถิปัญญาที่เขาสะสมตอลอดเวลาแต่ถ้าเขาไม่มีสติอย่งสี่นี่เท่ากับว่าไปตามเรื่องตามเล่าตามอารมณ์สินสมถิปัญญาเขาขาดหายไปวันนี้ราคาโทสามมูฮัมก็เขามาแทนเท่าอย่างไปให้เพิ่นเลยวันนี้รับสินรับท่านเป็นมากเจ้าของบ่มีคุณธรรมสูงพ่อ สิ่งที่พึ่งถวายท่านมากอเข้ากัได้ลับบากได้บมดเนี่แต่หลวง พ, พ, พ, พ, พ, พ่อขึ้นเ ด, ดน้แต่พวกอื่นพรุภูนอจิโบรขึ้นแห่งใดแห่งดีจริง่นะแต่บุพเพมันนีนั่นต่างแต่ละบาทแต่ละสตังค์กูจะหามาได้เนี่ยนําเงินนําไข่เข้าถงอดรับอดนอนมุดข้ามมุดขึ้นมึงเถอเข้าบวได้พักเอาเงินมาจ่ายแล้วเขาต้องการให้เป็นประโยชน์ต่อคนเขาจะได้บุญ น, น, นํามิแต่ถ้ามันบอเป็นประโยชน์ต่อคนแล้วมันกะได้ประโยชน์น่อยนะอันนี้ก็คือหลวงพ่อบอกให้ฟัง